ฝึสาลาการศิวตอดุจเงื้อจึงได้ตรงไปที่บ้านข้องการีเพื่อจะไปตากเอาการีกับลูกให้กลับขึ้นมาอยู่บ้านด้วยกันเมื่อไปถึงแล้วจึงพูดขึ้นมานัเป็นคุณสวยโงกหรือก็คือร้องละไรยดงพ้องกาใจแก้วมาตันธรามะนากไปเท้าเกาสมนตายเมียนเกาสวนที้ป้าเจ้าควาง วัยนันนาตั้งใจเป็นผู้สาหวังเต่านั้นเป็นผู้มัางหรอกรอยเราบ่เห็นมหาธวัชชัยปริกุณโนปัจิบันกยจุวัิบานายม่อมตำบนายมอำเภอเมืองอำนาจจจรุญยุ่มพันแม่มาเทศดเมื่อนี้เทยดเรื่องบนเหนือบาป อาซีได้รับหนาที่เป็นลูกชายของย่ายจันที่สิวามาหนกน้องยมพอยมแม่เอาบานี้ก็ได้แล้วซ้ำธรรมาสซ้ำหนักปัจาจารย์ยมพอยุแ ม, ม่เทศเรื่องบนเหาานือบาปอ่านยมพอยมแม่บรูกหีเนาะนงางฟังกะที่หูแจงโดยบระตังอธิบายยมพอยมแม่ว่าบุนเหนือบาปมันเป็นยังไงอ่าเมียหากท่องสะเพยหากทานมันเป็นยังไดง่าเพิ่นตัวตายมันเป็นยังไงเนาะอาบานิอัตมากระซิขอเริ่ม อ่านในเรื่องบนเหนื้อบากสืบต่อไป <c oughs> <c oughs> นัรูโอกาสต่อจากนี้ไปอาตมาภาพจะได้นำเนินหน้าที่ของนายมานพลูกชายของใหญ่จันทีสืบต่อไปใจความว่าอาีตีการีในอดีตการนานมาแล้วนะหมู่บ้านเวรุวาคามแข่งเมืองบัตชีมีครอบครัวหนึ่งซึ่งไม่ร่ำรวยเท่าไรนะได้อาศัยกสิกเรเลี้ยงชีวิตอย่างสบายผู้รูกชายชอวามานพ เมื่ออายุครบยี่สิบปีแม่จันทีผู้เป็นมารดาจึงได้ไปสู่ขอหญิงสาวโสภาผู้หนึ่งซึ่งมีฐานะเสมอกันหญิงผู้นั้นชื่อว่ากาลีเป็นผู้มีวัจจีแข็งกระด้างงานทุกอย่างไม่สนใจเอกที่ว่าสังขันอยู่มานมานวันหนึ่งนมนุษย์จึงพูดกับภรรยาขึ้นว่า <c oughs> กาลีโอยกาลี อนณาทีของลูกของเนี่ยจะบูหูมิตฟูปานมูเห่ามูซส้นกิจาการอย่างทั้งลปล่องก็สนใจด้วยอันทรายในแม่น้ำวนวเฮิอนสั้นหวังกรกวดาในกาลีเอ็นยิล่ละนอยคำโบราณพันวาคันให้ขัวปานได้คอยได้ลูกน้อยปานในึืนนางเมืองแมนบอการีนบันี มนามาสแสดงนะไม่ได้มนมาสแสดงแค่เสียงดกทางแหลมนะบ่ล้วนเลยหลับไหลกินดังหลาลากร้อนเกีดังบานนะว่าลาเลยนะเพื่อยากหมูจงพอ า, า, งาอหอบียงกวงทำมาหมูจังทาง อดรตองนี้เป็นนามาบำเพ็ญเมียนสร้างกันนํำกันบ่อไรคาละเกิดมาในศาสนาศาสนาศาสนาเออของพระพุทธเจ้าให้ใจน้อมอย่าลาลวงนะอ่านว่าความทุกข์ยากหายอย่ามีบ่อรอกวรนะคุณนิยมเดื อนุโมนาลกับุญยยมวนที่มีเจตนารักษาสิเนวันเจตนาสาธเรวลังความเจ้าอันทจองว่าห่ะเนื้ ตวาสาบนาฝ่ายว่านางกาลีได้ฟังว่าจีสามีกล่าวดังนั้นจึงเลื่อเอ่ยเผยวาจาของตนออกไปว่าใครเล่าใครพูดกับฉันอ่าพ่อญายแกลไปวอนฉันที่มารบก็ไปรับปากว่าให้ฉันมาไม่ให้ทําฌาปนจิตฉันผิดด้วยหรือไรจึงพูดออกไปด้วยความโมโหออกไปว่าว่าหันพิมา่าโนบายจึงเรียกบ้าไม่เมื่อไงละ อันไหนกว่า่งานอ้่ว่าให้ีนะันอันว่าจังสี่การีพี่ว่าจังสี่ตัวอันพี่ว่านาทีของลูกของเนี่จะปูหูยึดฟูปานมือหงมูอส่งจตากย่าทั้งงโลสนใจด้วยอันซอยในห้างานบ้านห้องสร้างหมองกักวดเนี่ยเบี้ยกาีเอ้ยเนี่ยละน้อานนัพ่ว่าค้ได้ผัวป่านได้ไข่ได้ลูก้ปานนี่นว่าพีว่าจังสี่ตัวบาเธอมอยู่น้ำกันซ้นี คืนเสียงบบสมอนี่แม่ผู้วเพราะย่ำคำย่ำขึ้น่อยก้าลูกหน่อยเนาะลูกหน่อยแล้วว่าแล้วพอเล้วแม่ว่าพ่อฟิยู่นี่ละเจอะแจจ่อเจียยกคางคางนี่ละยังตือนสาวใครใช่หมให้เปยเปรี้ยเหตุการณ์เหตุงานอยู่บอกไอ้วน่เอามันก็เป็นเรื่องธรรมดาดอกการเฮ้ยเรื่องทากันทางานการบ้านการเนี่ยนเป็นอาทีพของลูกของเนี่ยตัวการีจะไปหุ่นจักสันปลอ ก็โหยุแม่ยามีนังคนนั่นเจ้าคือผูใส่เน่ยเราเห็นอย่งรถเกี่ยวรนบุ๋มรถเว้นนั่นโอ้ยแม่เห็นก็เห็นแม่เห็นก็เห็นไหนก่อนแม่เห็นก็เห็นม่เห็นกเห็นแม่ยาก็ไปหาแมาเขียวมาตื่นไหมเขียวไได้ไหขยันจะไหนว่าเมาซูฟันไปกันย่างเดวอื่นก็เห็นจ้าเห็ดเขียวแล้วก็พูดทีมพูดทีมเขียวไม่ยุ่งเ เมียกงานการกับล่าสางถ้าเป็นเห็ดอย่างหอมยิ้มโป๊กโป๊กดูกระดูกหัวไข่อันนี้ผมยืดเดียวดีว่าอันนี้ผมเปลี่ยนแต่เห็ดกับเห็ดปฏิอันนี้ผมเแลี่ยนแตงไห็ดกัยคือโบเห็ดปฏิเอนอันนี้สิไป๋งกินเผือกินแห้งกับเล่าถั่นไม่น่าเลาเข่าแก่หรวปวดไม่น่าเจ้าหน่า เป็นยังสืบว่าเถือกโพดเนี้ยว no ่านี okay. ่ยมันไมีถือกโพดอันกินมากินผู้อะไรกันกินเขากินปลาอะไรปลยงนั้คือว่าเหตุเหยียดเหตุการเห็ุงานกินได้กับผว่ารอกกินได้ใส่เนียกินแล้วก็ขี่ว่าเหตดเหยียดเอามันก็ธรรมดาล่ะกันเอ้เนี่ยพวกผู้เฒ่าน้ะสีเหตุในศาสนาขัเขียวเป็นอย่างธรรมดาตัวต่างต่างเป็นยอันบ้านปากน้ามันแ่ยังเชี้ยวอยู่ไหนจะว่าเห็ุเฉพาะ เศ้าๆก็ตรงเบาะนะบาๆเบาๆเๆเ่อม่นเมาปยก็เตัเสียงหนังแต่การีเจ้ามื่อนี่ฮะเบาๆเด้อตอนสีบก็เดี๋วเบาแทนน้าขอให้ไก่ในแกะเล่ออกกะไรขึไปน้ำไก่ที่ซีบกันไอไปขวานี่ไปไก่แกะอืมไอ้านจ้าพ่อหนึ่ ก้หมดประวัติชุด้อบานเทียนั่งดูเกพะยีพ uh ูดผีนะมัยังไม่นาเบียดมาเร่อมาเร่อมาได้ตัวดีนะอาจารย์ทุก่านต้องฝากก็ให้ยูนเร่อมาเด้อนี่เราผู้ช่ได้รูปการูเห็นหมดในยางมากเลย แต่น้ำนหินผ ah ่อนต่หัวาฝากใส่การีมคารากานยอหิน่าใส่ยามเด้๋ยนอใช่นัดเสือมดเลี้ยานางลาจังวัดูราจาโอ้ชาวเฮาภูมสศ สองแห่นน้ำเหล้ามีแขนสองแขนแต่ปากเกี่ยวเจ้าว่าหัตาว่าคิวกะโครงสอดหางเดินห้องแหวนน้ำทุกย้อนปากย้อนฝังควัวกมาหดคนเฮาเบาบอกฟังความกั น, นแค่กันไปคนเรื่องน้ำได้เปลี่ยนยางรอด เดือนลมได้ยนปากกาจมน้ำเฝ้าเฮกุมนังกาคมเราให้าสมนังกาสมระวันจ่อยกาปางคุ่ยันน้ำหัวมนุษย์สมควาคพุ่นจนเรียกมรหมลานทวารใยผู้สมบทกิจสะอรค์แต่ความเบานา เสียงก็เจลาหัเรเอยวังสุเสีนเป็นคนนเราปากว่เศ้าเพื่นวารอกเสียงบนน้าดังก้งก้งเหมือนผู้ใหญนั้นควรหางเพื่อกามีใจแตกแยงแล้วก็ควรเดินน้ ลาขันเมืคนคนเบ้าได้คือสิมาเว้ยปัญหาพวาขามาไว้จันยาว่าสุขผูกินนลลง่งน้ำอันล่าความจริงเป็นคือว่าวาสระว้าเรื่องมุนน้ำเงืดได้ได้ปากคุณเงิดได้ได้ปากคุณพูดถึงมาปากแขนปากกาน้ำ ปากใส่ยายาขยานละปากแสผัวผัวขยานปากแก้วได้แล้วกันปาสอนเรอนนาำละคอมคุณรอควานปากกักวันใิยจบปากตัวเองตแต่เจ้าฟังเป็นเกาลั และจ้งเรื่องเราต่อไปนีล่ะนีท่านมีไพสัญญากความปาาข้อนอกตังมมาเราว่าขอมุ่งส่งส่งและม่อแม่หัดแดงนและเย่พ่อทนสิอหัวแดงไพยสิยปากมีเ ส, สีพ่อกาบเอ้อทนเิดเทปได้สมเจ้าเราเรื่องน้ำ ยังยังควเรื่ละคนทั้งหลาไปสังญารบอาดิการผ่านมาสองพันไปลองล้วนี่ถานนั่นกับปส่วนนะละเมื่อเผื่อบีบเขากและม เ, มเมียเมดน้อยาไม้ยาเป็นคนสุดจะเกิดความหวังรานะ ลาแผ่พืชเขาดำไปมัตจนใจผู้สิบฟังสะบกฟอกวัดได้ระเมอระเตืองการเดินนำลาจากนีฟังปากพลาสามีเก่าก็พัญย่างว่าการอการอ้งนองหายน้ฟ้าเชดดื่มควน้ ลาข่าว พ, พร้อมสียไร่ขานยาว่าผัวนั่งกันทางนางนางเพียทังเติยนแต่ไม่นำอะไรเพี้ยนเมืองและน้ำนั้นก็ซอฟังน้ำลาลูกับเาพีวาสองเต่จะไคยถูกตองกับใหญ่แถวแกฉร้อ้ยนัก ลาทวบส่งญาณเมื่อคําค่าอย่าวังพงงานใส่ลายไข่พบดีมีรัก ส, สาดภาพินรอบของงนะ้ำลาสร้างตรมันเท่าคือรักสุ่งต่างขาสันนะ้เมียข้อผิดผูมพันแม่นาตันตัวน้อยอย่าวังว่อนเสียขากนกลาง ละาญาตเปียบวงหางราะการกลนี่การมันต้องำานเงินดอกทองเจราญล่ามาใส่เคารเรสิวังควงกินแห่งญาตต้องเรกไรเป่ารำล่าพนันยุมรำเาเก่าบมากลนเรียเรียงต่อพระคุณยังนำ ลาว่าพวนย่าให้วุ่นปุ่นสิเกิดเป็นตุมล้มสี่กายเป็นไฝไก่สีไกเราเป็นแมงนักและแมงสี่ไกเป็นเสียนื้อคเมาฟาสี่ฟ้าลาว่าเจ้อยู่เกอมาเม้เสีงเม้ามูอสิคืนเราโย่เพื่อนนลาพิ่พอยาเข้าเวิงจงคิดเบิงให้มันดีฮัมามีพนากันในคอยป้องกนระวังไว้ล ลาควาราลอไม่ตีเหลี่ยมยายากจิ้มกําสมแสดงใ้ต้องควานวางใ้พอสมควรในพอถูกต้องจังกอน นมากคนแอบเพื่อเลี่ยงต่อพระบุญบ่เอาพรอบุญยาให้บุญปุ่นสิเกิดเป็นตุ่มรุ่งสิกไก่เป็น ไ, ไส่ไก่สิกไก่เป็นแหงแนนสิ่ไก่เป็นเสียงเื้นกองห้องฝาสิ่ผ้าว่าสี่าอยก็คือนมาแมวเสีหอยกรเบีหมูสิ่ข้นอยู่เปิงพี่พญาเปเวิรงมจงขิ้เปิงให้มั่นดีห้องสามีพญาการใม่คอยปอมรองใบความร้าหวาให้ตีเหลี่มยายอยากชิมข้ามสมแสดงให้ท้องพวน น้อง น, น, นาทีพอสมเพราะน้องนาทีพอถูกต้องเึืนเตือนเจ้าิืดโอาจัสกาอีอันเป่ายันี่พี่เมื่อสอนน้องสิเอากรเปารยสอนแต่ว่ากระเป๋าซื้อว่าหนาทีทีเมื่อนั้นกินแดงไหนแต่สี่พ่อฮูจักนาทีก็จะของอยู่ตัวกาลีสอนตัว่าอยู่ฝู่ฝู่จต้องขืนเสียงมันะ ส้งกาลิก็ว่าหลดนี่ย่อเมียนบ่อเดสังจดตวันจากเห้นจ้กับเมนี่ขืกันจะั่นได้ม่อันวาอยู่ได้นนาฬกาลิ่บ่อบ่อบ่อบอบ่อเ็ดขาดจ้างเ็ก็ถือกันเราเมือนี้าสตว่าเมียนากับรูปผ้าไผว่านี่ไหมยื้อเย็นเดียวกันเศาเๆร้าก็มีท่าถือกันเอาเยนนี้มันต้องคอยเป็นงย่างเดียวอันวาอยู่ด้หรือว่าเจ้าทีต้องเป็นใงในเรื่องนิวติกาลี่แมน อันเป็นใหญ่ไดอยู่หรอกกาลีเป็นใหญ่เป็นบิ๊กเท่านั้นอันเป็นใหญ่ใดอยู่ไหนอยู่ในเงินในสั้นนี่การีแต่ว่าต้องเป็นใหญ่ในการเก็บสับแต่การใส่พ้อนหรือกบก้อนเพราะแม้ว่าเป็นใหญ่ใหการบังคับผัวบังคับยามเข้าใ จ, จบอกกาลีว่าต้องเบาว่าต้องเบาสําคัญหรือว่าสาคัญกระแซงว่าแจ้าการีมันเป็นใหญ่เป็นบินในเงือนหลังนี้กาลีก็สิยข้อใจละมือ อันน sí mm. ันก <Yeah. Ha? S 1> ็ไ <olarak> ม่เอยู่แ <conventional> อ <ello> ้ท่านเป็นในกาีแต่ว่าต้องเป็นในในการเก็บสัพท์ในการใส่ก้อนหรือบ้อนเฉพาเขาใจสโมสรนี่ตัวหนาเทียรของเก่าตัวหนะค่าเจาะท่านสมัยว่าท่านหลกท่านเมื่องน้อยเก่าเนาะซูเมอรนีผู้ยิ่งผู้งาผู้ยิ่งเ็เป็นไงกันหมนแล้วผู้ที่เขาผู้ยิ่งก็ไม่สิททียเทียมกันบ่ตายล่ะเห็นบ่ซูเมเห็นมิแตนผู้ยิ่งตัวเป็นยังผู้ยิ่งเป็นยังเป็นไง เออมันก uh, right. ับป็น <ung> ah ี hmm? <tr> <ko> body, you? You ้เนี่ยอยู่มันกับป็นี้บางเรื่องบางผมม่เว่าเป็นี้ทุกเรื่องตัว้วเข้าใจโยนี้ว่ามันคอยเราว่าขอใจเจ้าเราก็ขอใจโยนี้ก็ขอใจโลกก็ขอใจสังคมอย่างนอนนเดี๋ยวหนีว่าอันดักสร้างสอนผัวส่นแม่เดียวนีการนี่ว่าอะไสร้างสอนจะบอกสมข้ออะไสิฮะมันกาเดียวกันแตัวไชางแเจ้ากระไเพ่อคงร่งว่าให่เป็นไงหรือว่าใหเป็นไงใหญ่โอ้ยเจ้าจะสีขาวจะใส่ เป็นผู้หญิงเหรอบานก็ไม่ออันหน้น่า้แไนถานะดูมเป็นผู้หญิงเวดปวดแต่สมัยนี้จพ่อเมียสอนลูกลูกแลสอนพ่อแมได้ตัวผัวสอนเมียเมียก็ต้องสอนผัวขึ้นได้้ตัวเจ้าจะสียหายวาไปตัวฉีตตัวเั่นอันบ้านไเอาบ้านไหบ้านไหนีอันเนี้ยสามสอนผัวว่สู่ขั้กันอันบ้านแล้วนี่เาเป็นบ้านที่เดิมบ้านแรกลดิใช่บ้านไหบ้านนี่ละบ้านน่ เวลาบ้านฟังน้ำบ้านัน้ำหรือเป่าไม่ฟสอนผัวแถววัดนั่นแหละแถววัดคือแถววัดเพราะมันถึงผูจากบคาเนี่ยเพมาจำภาษาอยู่นี่เพิ่งไปรำในยื่นสะบอเจ้าผู้จักพักแถวจะเป็นเนี้ยโซ่โซ่โซ่ฟังไว้ด้วบ้านเจ้าบ่หรอกฟังด้วบานเจ้าฟังเมียมังอ้าวอ้าว้อาซีบอกใจ้ก็ว่า เฝาสูฟังะกันเฝาสู้ย่อมพอยอมแม่พี่น้องผู้กันังฟังเขตนั่กันฟังประกันเจ้าสิวาเป็นยเอาเอาล้อมาประกันนะมัดเียเด็ดทางใต้หน้าไฟวบแห้งแห้งความสนุ่ยนขึ้นวบใกล้ขึ้นฝาหลักกาสิวตอรกยู่ เมียสิตามดอกบุนน่ะเอ้ยกุ้งนาลาส้มักาุ่งให้ผัวกินน่ะลานไก่สีสววมพดยน่าที่นังสาภัยน่ะเอาเท้าใจเจ้าควอมแด่มีเล็กดีบ่มีบาน่ะเสือว่ายอดอันดาบานเสือว่ากาลีบานีน่ะ บกเคยย่านดอกบ้านวลิฟนกเต็นโรดเดไปสิเต็นอยาบเข็นดอกขอผัวเอาบอหอ่หลับไปน้อิลัวโหลดเด้อพื้นคนนำโรดเด้อดอกอากาศาเบ็ดต า, า, กกออ า, ตานาำบ่เคยหอ น, นาดฝาตานานหรือตานอ ร้นดอกเพิ่นเบาสีเอาจิมดอกปาแรกบองนะบางเฮียไปแต่มาผู้ห้องแต่มาแม่พ่อพี่เสียงนะ่ะเ <c oughs> ออสีคือแขยงัแต่แก ท, งทางเดียวมุนก็เป็นดอกเด้อเนนะืน้อลังเออสวนผู้เป็นเมียสีเอายีงสีแขยงพัวก็แล้วแดงนะ่ะ เธอเข่ามูแม่เธอขว่าหาวินแล้วเอวะหามาเ้าโทษดิฉันจากนี้น่ะเออเออเออ้ออยี่ฟังผ่าผ่านละเมียสีสั่งก่อนผัวละบอกว่าเลยมวยไทยเขาร้อยหรือมันสายหมู่บ้านายหรือแผ่น่ะ สามีโกกะคือพ่อเสือสร้างเหนือประกรรมาตั้งหาสินตายสมนางน่ะเนี่ยเป็นด้สิเนาะมาคือสร้างงานคนน่ะมาแล้วเายพิษพนออกเอ้ยมายอยยิงน่ะท้าไปไดาให้ อัิ when, ่งใดใจเดือนอันยอมต้องสานเสียน่ะพี่มาอยการเป็นผัวเมียผัแม่แนวเป็นเรนน่ะต้องเอากัรในมันแกนตั้งไฟต้องยอมเทนหอบชีวิตหน่าัสวมเหมือนดอกบา สัมกันนะเมียบอกฟันข้อห้อยหัวต้องตามนะทําตามเมียจังดอกเป็นหัวแทนะแมีกับเมียไปสูงค่าที่ราคาจัดลอยนะการเมียนี่เมียป่าปลอยกับเมียตายเมียยังอยู่ยัเราเมียรันไว้เมียนะเมีเป็นใครอ เมียผิเนื้อสีฟกตอนหลือกใแต่สินใจเอาเองก็ต้องเกียงให้รองว่ารักท่านพีหนักเอาอย่างเต้า้ยฉันบกขอทอก่อยสิคขึ้นบ้านให้ปล่อยวางนะการนะเมียเป็นบ่ฮางบ่เห็นตัวผู้ได้ตายนะบ่ใช่ไ ว่าชีว่าเคยแหล่น่ะว่ามีผัวแล้วปากแดงถ้าสดแดนน่ะแตงโตัวไม่ เ, เอาให้ันทันสมัยน่ะย่านเต่าซ้ำหน่อยนะ่ะตายอดระพันเลิน่นะอาเพียงน้องนั้นดวงสิ่งยางในเคหาต้องมาเวนเช่นมายาสีคือดอกขาดคองน่ะ เมียกองฟังต้นแทนหองน่ะตามใจรักเมียสังเออเอถ้าเมียบ่าวรักบอฟังน่ะจงแตรียมตัวเป็นบ่อหางมาเอือนน่ะแม่บักเมียน่ะนั่งบ่าเม่นห้องหยอกไอ้สายบ่อเสื้อกาล้อมดัว พวกวัวเดือแมวสาตร์ปาสาดอกแมวไทยจบป่าใสแต่เพียงสันนะผัวก็เมียพี่น้องนะพี่ต้องเสื้อนะมอออันหน้าในแกมีม้อใสโอ้อโจุน สิวันนี้นั้นมาหาหพีมาน้กยิ่งรู้ยนเดิมพีมานบอาพี่ฮักหล่อนทุ่งสิงยางในเชืหาต่องอเวทเทศมาทุ่งสิงอันยักขันขอน พี่ตองฟังแต่แนงเห็ดตามใจเราทุกสิ่งกันพี่เบาบอฟังจนเตียมตเป็นบอห่าเมื่อนี่เดียวนี่แต่บัดนี่เดียวนี่น้ำตัวเป็นบอหางว่าเจ้านั่นเป็นอย่งขึ้นจเป็นบอหางเป็นบอห่างตัวบอฟังว่วไเอาโอ้มันกับบอแมนบาบอฟังผัวเนียู่น้ากันมากระเร่องธรรมดาตกรีกับปุษสาหาร้วกันสันตัวเอาเป็นมาสิเพื่อสร้างสสารมันกับบอแมนบ้าเป็นแนวตกี ข้าเด็ดไหนข้านันได้่อยนั่นคือว่าคอยตองเป็ น, น, นไนงทนันเือนลนีอรไหนกออยตองเป็นไงทานันใด้เือนลนี้โอ้เจ้าต้งเป็ น, นแมนมโ เ, เ, เอาเอามาเต็ท่าสาันดูสาไห่ะเพนตัวนอะยนึงเ น, นเป็นไเป็นไหคือแท้โ เป็นไงทุกสิ่งทุกอย่างอะไรหม้ อ, อความน่าเว้นเว่นไทุกสิ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของไฟหมด oh. ตัวกลงองน่บ่อยอย่างโอเคโอเคโอเคตัวกลงกันตัวกลงกาเรื่องเป็นไงสั้นใช่ไหมเดล๋วมันถวไปซะน่าเจ้าจาจะได้ปะเจ้าเอจะออซื้อนั่นกลามั่งนั่ไปซักผายไปยันนี่ะกลามั่งกลามั่แฝ้านแฝดแอยู่น่แฝดพูนีเน มอถวยกระโปรยันแชกันนี่อันันี่ดอันตัวใส่คอยสอันเบาุเดียวเเอ้าคอยเป็นไงดิคอยเป็นไงดิวัหลังนี้เออเอาเอาเอาเฮ็ดกะเฮ็ดซักกักสถานการณ์นี่เอาให้มาเดลวมันทัวสายสัตวไป่ักด้วย